นโอกาสนี้จึงได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระภูมิ พ, าพาาระภาคอรหันตะัสมาสมุทเเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของท่านผู้ใฝ่ในการฟังธรรมและปฏิบัติตลอด ธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแปด0มื่นสี่พันคำหรือแปด0มื่นสี่พันพระธรรมคัน์ย่อลงได้สามข้อสัพปาปัสสะอคกานังคือการไม่กระทำบาปทั้งป่วงกุศลสู้ปสัสมปทาการยังกุศลได้ถึงพร้อม สัจิตาปิโยตพนนังเอตังพุทธานาศาสนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วทั้งสามข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในสายเลือดจนกระทั่งเป็น ปกติหรือเป็นอตนัตโนมัติบิดามันดานับถือพระพุทธศาสนามาแต่บัพพกาลเลื่อยมาพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมินี้ในว่าสัพุตตะและปลิตตะ อ, อ, อุบาเศธีสองคนพี่น้อง ที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปพบระพุทธเจ้าที่เสมยไิมุติสุขอยู่สองคนนี้เขาคือเขาถึงพระพุทธธรรมในว่าไปจากสุวรรณภูมิดังนั้นพระพุทธศาสนาก็อยู่ในสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็ได้รับ ทราบได้รับธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยพ่อขาสองคนพี่นองนั้นด้วยเหตุนี้เองสวนภูมิจึงมีพระพุทธศาสนาอย่างรากมั่นคงอยู่ที่นี่หลังจากอันตรธานไปจากชมพูทวีปแล้วเพราะฉะนั้น คนไทยของเราเกิดมาเราได้ทำบุญทำทานกันมาตลอดโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยพบพระพุทธศาสนามีาศาสนาเป็นหลักใจแล้วก็อยู่ภายใต้การปกครองของพระมาหากษัตริย์ที่เป็นพระเป็นพุทธมามะกะพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จะของราชก็ปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามะกะดังเช่นในรัชกาลที่สิบได้เป็นพระสุรเสียงท่ามกลางสังฆมนทนว่าจะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามะกะเพราะนั้นพวกเราโชคดีมากในประเทศไทยของเหล่านี้ อยู่ในศูนย์กลางเหมาะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาลาตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเอเชียใต้ก็มารวมลงที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเหล่านี้มันเป็นศูนย์กลางหลายๆประการทุกวันนี้ ก็เขาขนานนามว่าเป็นมหาเป็นมหาอำนาจในการท่องเที่ยว <c oughs> ใครก็อยากจะมาเมืองไทยในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนการทำทานนั้นเราทำมาตั้งแต่ก่อนเกิดแต่หลังตายได้ทำกันมาตลอดก่อนเกิดก็มารดาที่อุ้มท้องก็ทำบุญทำทานให้มา เกิดมาแล้วก็ได้ทำบุญทำทานคำว่าทำทานก็คือการใส่บาทนี้เป็นส่วนใหญ่สมาทานศีลตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่ก็เป็นกิริยาบุญทางวาจากิริยาบุญทางกายกายได้กราบวาจาได้กล่าวนี่มันเป็นกิริยาบุญแล้วแต่ใจมันจะคิดไปทางใดนั้นมันต้องฝึกอบรมแล้วถึงจะรู้ว่า ก่อนนี้เราทําด้วยกายกับวาจาใจบางทีก็มั่นตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างอยู่อย่างนี้นี่คือการให้ทาน <c oughs> การสมาทานศีลพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วว่าผู้มีศีลดังคำํำในตอนสุดท้ายของการสมาทานศีลที่เรียกว่าอานิสง์ สิลนะสุขติยันติผู้ที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะมีศีลสิเลนโพก็สัมประธานผู้ที่ถึงพร้อมได้โพคาสมบัติก็เพราะมีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็มันก็ให้ทานมันประกอบกันอยู่อย่างนี้คนก็จะให้ทานในสมาทานศีลกันตลอด เพราะมันฝังหัวมาตั้งแต่เกิดว่าให้ทานด่เท่านี้ก็ได้บุญอย่างนี้แม้ในพระไตรปิฎกก็ยังกล่าวถึงราชาเทวีหรือว่าเทพธิดาที่ลุยชื่อว่าราชาเมื่อก่อนถวายข้าวสาลีต่อไปก็ได้ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางเทพธิดาที่ว่าอ่ทีเป็นนางเทพธิดา ทีนี้เมื่อเห็นว่าบุญตัวเองอยังน้อยก็จะมาคอยอุปถัมภ์ดูมันจะเป็นพระมหากัศปักนั่นพระมหากัศปัดก็ไล่ออกไปเพราะว่าพระองค์อยู่ในป่ารูปเดียวการที่จะมีสตรีเข้าไปอยู่ใกล้มันทำผมมจันให้เศร้าหมองโลกก็จะติเตียนว่ามีสุภาพสตรีไปอยู่ใกล้ไม่มีผู้ชายอยู่ นางเทพพิดาลกขขออย่างให้สมบัติของข้าพเจ้าสิ้นหายนางได้ทำไปแล้วเพียงแค่นี้ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนั้นคนไทยของเราเนี้ก็จึงทำบุญทำทานกันมากเพราะได้รับการสั่งสอนมาอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ผที่มีจิตใจงดงามมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อแขกผู้มาเยือนไม่ว่าจะมาจากที่ใด รู้จักก็ตามไม่รู้จักก็ตามก็สามารถให้น้ำให้ข้าวได้ทานจนเขาก็งงไปว่าคนไทยนะั้นมีนิสัยอบอ้อมอารีอย่างนี้ก็เพราะการกลมเกาให้เราเป็นผู้เสียสละจากคำสั่งสอนของเดวมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไปได้สู่สวรรค์ สิ้นสุดจากโลกสวรรค์คือหมดอายุทีนี้จะไปทางใดละ่ะมีแต่การให้ทานสมาทานศีลอย่างเดียวใจเรายังลวนเลยใจเรายังไม่เป็นสมาธิเจริ้ใจเรายังไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนในเรื่องการภาวนานี่เป็นอย่างยิ่งจะทำแต่ทำทานทำรักษาศีลอย่างเดียวมันยังไม่พอ ไปสวรรค์ลแล้วหมดบุญจากสวรรค์มันก็จะตกนรกเพราะไม่มีบุญสืบทอดไปเราไปกินบุญหมดในสวรรค์ลแล้วบุญที่การให้ทานสมาทานศีลนั้นมันหมดไปและสิ้นไปแต่บุญที่เกิดขึ้นทางใจนั้นเป็นการสืบทอดยืนยาวไปไม่มีที่สุดจนกระทั่งถึงฝั่งแห่งพบโดยไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกน้นแหละ นั่นคือการภาวนาคือการทำบุญได้ว่าสจิตตะทปโดดปนังเอตังบุทานาซาสนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญทำบุญทำทานแล้วทำมาแล้วตลอดแต่ในนี้เรามาภาวนาเพื่อจะให้เกิดคุณค่าของชีวิตให้ใจของเรานั้นได้สัมผัส กับภาวะธรรมมันจะเกิดขึ้นกับจิตของเราทีนี้การเจริญภาวนาจะปฏิบัติธรรมเราจะทำอย่างไรธรรมะคำสังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้แล้วนั้นหรือว่าในพระธรรมนั้นมีอยู่สามขั้นพระปริยัติธรรม เราจะต้องศึกษาทรงจำบทคำสอนนั้นๆที่มีในปรกรณ์ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกที่วางไว้อันนั้นเป็นทฤษฎีให้เรารู้บทรู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรขั้นตอนในการที่จะพัฒนาปัญญาแต่อันดับแรกนี้มาเข้าสู่การปฏิบัติ เรียกว่าปฏิบัติธรรมปริยัติธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมะคาสั่งสอนที่เราได้ศึกษามาแล้วในกรรมาฐานทั้งสี่สิบข้อในกรรมาฐานทั้งสี่สิบข้อนั้นอนาปานุสติเป็นกรรมาฐานที่ถูกกับทุกจริต ไม่เป็นราคะจริตโทสจริตโมหจริตพุทธจริตเราศรัทธาจริตบิตกจริตจะเข้ากันได้หมดทุกจริตโดยการเจริญอาณาปานุสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าการกำหนดลมหายใจออก ถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดเข้าไปในกูเก l e ดูว่าวิธีเจริญอาณาปานุสติมีอย่างไรบ้างจะบอกไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียวจนกระทั่งพัฒนาจากอาณาปานุสติที่เป็นสมาธิแล้วให้เข้าถึงปัญญาทีนี้มาเริ่มต้นกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอย่าหายใจทิ้งเปล่า ครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ว่าหายใจเข้าให้กำหนดว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดว่าโทโดยให้หายใจปกติแต่บางแห่งท่านก็ว่าให้หายใจเข้ายาวแล้วก็กักไว้มันกักไว้แป๊บหนึ่งก็เป็นสามวินาทีแล้วก็ผลออกมาผลแล้วก็หายใจเข้ายาว กักไว้ก็ผ่อนออกมาอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ปอดของเรานั้นขยายจะทำให้หัวใจของเรานั้นเต้นช้าลงเมื่อหัวใจเต้นช้าก็มีเวลาพักผ่อนถ้ามันเต้นเร็วเกินไปมันไม่มีเวลาพักผ่อนทีนี้เมื่อเราหายใจเข้ายาวๆนะก็ลองหายใจเข้าไปหายใจออกมายาวๆ ถ้าหากเราได้กําหนดนับด้วยเราทีนี้เราจะกําหนดได้เลยว่าเราจะนั่งภาวนาได้เอากี่นาทีสามสิบนาทีก็นับสามรอยครั้งจะนั่งภาวนาชั่วโมงหนึ่งก็นับให้มันได้หกร้อยครั้งมันเป็นสัด จ, จะอยู่ในตัวด้วยเมื่อไม่เลิกถ้าเมื่อไม่ครบก็ยังไม่เลิกนั่ง นับให้ครบจึงเลิกนี่เป็นการฝึกตัวเองให้ทนเป็นขันติบามีแล้วก็มันทนไปก็กลายเป็นวิริยะบารมีเพราะนับจนครบกำหนดก็เป็นสัจจะบาลมีเพราะว่านับไม้ครบจะไม่ออกมันสามบาลมีก็เข้าไปอยู่พร้อมกันก็เท่ากับว่าเราได้สร้างบามีของเราไปอีก บำเพ็ญบารมีของเราทั้งสามข้อด้านเรามีสติเนี่ยสตินี่เป็นตัวสำคัญเรามีสติไปกับอารมณ์ไปกับการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี้ให้มีสติรับหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราทำอย่างนี้สืบต่อกันไป ก็จะเกิดภาวะธรรมมันจะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราบุคคลใดทาได้สมาธิจะเป็นขั้นแบบเล็กๆโดยน้อยคือข้นนิกะสมาธิถ้าขั้นที่มันองค์ประกอบครบก็เป็นอุปจาระสมาธิขั้นเพ่งจนนิ่งก็เป็นอปปนาสมาธิ จะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเรามีภาวะธรรมอยู่ในจิตแล้วเมื่อเรามีภาวะธรรมอยู่ในจิตนี้มันจะไม่หมดหายไปกับกระแสจิตของเราส่วนการให้ทานสมาทานศีลเมื่อเราเป็นบันเทิงเริงรื่นไปเสวย ส, ส, สมบัติในแดนทิพย์ มันก็มีหมดไปมันต้องทำขึ้นมาใหม่ดังนั้นเทวดาไม่มีโอกาสจะทำบุญจึงลงมาเพื่อทำต่อดังที่ได้กล่าวไว้แล้วถึงเรื่องเทพธิดาที่มาอุปถักธรรมหากัสปะเทระนั้นเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะได้ทำมีแต่ความเพลิดเพลินความหลงอยู่ในความไม่มี ความทุกข์ยากใดๆโลกภัยใข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนเพราะร่างกายมันโปร่งใสมีความเป็นทิพย์หมดคําว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีในโลกสวรรค์็ทําให้คนหลงทำให้สัตว์ที่ไปเกิดในสวรรค์ก็หลงอยู่อย่างนั้นมีแต่ความเพลิดเพลินทีนี้เมื่อถึงวาละที่จะจุติจากสวรรค์ ไปหาที่เกิดหาที่เกิดกไปพบไปลงที่ใดก็ได้ก็กลายไปเป็นเดรัจฉานแต่บางคนก็เห็นแต่อาสนกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมเข้ามาเผาหล่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าบุคคลได้ภาวนาจเจริญอาณาปานุสติอาสนกรรมเวลาจิตจะออกจากครั้งในโลกมนุษย์ดีก็จะเห็นแต่สิ่งในที่ดีในสวรรค์ ก็อารมณ์อันนี้ก็ไปกระตุกให้ ล, ลึกถึงตัวเองสิ่งที่ตัวเองได้กระทํามาก็จะเกิดเป็นภาวธรรมให้บุคคลลึกได้ว่าต้องมาสร้างบา ร, รมีที่มนุษย์เนี่ยด้วยภาวธรรมอันนี้แหละก็จะทําให้บุคคลนั้นกลับมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็สร้างบุญสร้างบา ร, รมีสร้างกับภาวนาสืบต่อไป ตราบใดที่ศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สิ้นไปเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เราเกิดในโลกมนุษย์ยังไม่เกินร้อยปีสูงสุดก็ร้อยยี่สิบปีก็จะต้องตายวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นจาตุ้มห้าสิบปีของโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งก็คืนหนึ่ง ถ้าอยู่สัตว์มีถึงร้อยปีก็เท่ากับสองวันเท่านั้นสองวันสองคืนในเทวดาชันจ่าตุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราได้สั่งสมบุญบา ร, รมีคือการภาวนานี่แหละมันเป็นภาวะธรรมที่จะสืบต่อให้เราไม่ได้ลงนรกจะทำให้เรานั้นได้มีความสำนึก แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีในโลกมนุษย์นี้ได้อีกครูบาจารย์จึงสอนให้เราภาวนาจะได้น้อยได้มากได้สัมผัสจิตเป็นสมาธิก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลอย่างเดียวมันก็ยังไม่พร้อมแต่มีกา ร, รกล่าวถึงอานิสงส์ของการสร้าง บุคคลใดได้สร้างกุติเป็นหลังของตนเองจิตใจมันจะผูกพันแล้วก็ทำให้เกิดภาวะธรรมขึ้นด้วยบุญกุศล น, นั้นเป็นภาวนาอ่อนๆบุคคลได้สร้างเจดีย์ก็เหมือนกันแล้วก็ได้อุปถาอุปธรรมบาลุงเจดีย์นั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีภาวนาอยู่ในตัวเพราะมีความอุตสาหะ ในการที่จะจับแจงนันนั น, นด้วยทรัพสมบัติของตนเองเพราะนั้นการหามาโ ด, ดยด้วยลำแข้งของตัวเองมันจึงเป็นสิ่งที่ลํำลึกมันก็กลายเป็นภาวนาอ่น อ, อนๆได้แต่เมื่อเรามานั่งภาวนาเป็นกิจลักษณะดังที่เราก็ทำอยู่นี้โดยการเจริญอาณาปานุสติมันมีขั้นตอนอยู่ว่า ให้หายใจเข้ายาวให้หายใจออกยาวทีนี้เราก็นับเพื่อไม่เพื่อกันไม่ให้เรานั่งแบบเล็กๆน้อยๆนั่งให้มันได้กับตามกำหนดมันต้องบังคับตัวเองด้วยการนับนับไม่ครบก็ไม่ออกอันนี้มันเป็นการบังคับตัวเองแล้วทีนี้เหมือนเมื่อจิตมันนิ่งเมื่อ เมื่อสติของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็รับทราบว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จิตรับทราบมันทำงานพร้อมกันกันกบสติเมื่อมันเป็นดังนี้จิตเมื่อสติตั้งมัน่นจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อสติมัน่นคงจิตก็มัน่นคง เมื่อสติคงที่จิตก็คงที่สติตั้งมั่นก็คือเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเกิดความสบายทำได้แล้วสติมั่นคงก็คือสติมั่นคงกําหนดนับอยู่อย่างนั้นกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกแล้วจนกระทั่งจําได้เมื่อเวลาเราออกจากสมาธิ เมื่อเราถอนหายใจเขานั่นแหละพาวะธรรมตัวนี้ก็เกิดเข้ามานี่เราจะเรียกว่าสติของเรามั่นคงทีนี้สติคงที่คงที่เนี่ยมั่นคงคงที่แล้วทีเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ก็เพียงแต่หายใจเขา้ายาวหายใจออกยาวนั้นภาวะธรรมเกิดขึ้นมาปิติสุขก็เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทันทีทันใดเรียกว่าสมาธิมันเกิดขึ้นโดยฉับพลันได้ง่ายก็เพราะการฝึกปฏิบัติของเรานี่เองเนื้อกิจของเราก็รวมลงเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้ <c oughs> อาการของกิจมันก็จะปรากฏเป็นแสงเป็นสีต่าง บางคนเห็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีม่วงสีแสดสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตกใจว่าเป็นนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้เห็นเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นท้องนาเห็นผู้เห็นคนเห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นมโนภาพจิตของคนเราก็มีความนึกคิดนึกไปถึงโน่นทึงไปถึงนี่มันก็มาปรากฏ เพราะนั่นก็จะสร้างงานใดๆก็วาง ว, วางแนววางเป็นซะก่อนวาดด้วยมโนภาพแล้วก็ขีดเขียนเป็นรูปเป็นแบบขึ้นมาจึงเรียกว่ามาโนภาพแม้จิตของเราสงบนิ่งลงไปแล้วมโนภาพเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกังขาไม่ต้องไปมิต ก, กังวล มันจะกลายเป็นวิกิกิจฉาลังเลเราก็เชื่อมั่นมันทำไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างไรก็มันก็ผ่านไปไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดมันจะผ่านของมันไปเองเป็นขั้นตอนของมันต่อแต่นั้นกิจมันนิ่งลงไปเราก็จะรู้ภาวะอเนี้มันกิตนิ่งลงไป บิตกวิจาร์ปิติสุขถ้ามันเกิดปิติและความสุขคือความสบายกายสบายใจเกิดขึ้นกับขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี้นั่นแสดงว่าเราได้อุปจาระสมาธิมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เราเพ่งลงไปเพ่งไปที่ตัวรู้เนะี่ยมันจะบอกของมันเองมันจะเกิดของมันเองว่า โอสติมันตั้งมั่นแล้วก็มันเกิดความปิติและเกิดความสุขขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็จะบอกเขามันเองว่านิ่งลงไปโดยการเพ่งจากตัวรู้ไปสู่จิตคือตัวรู้ตัวรู้เดิมตัวรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจิตมันก็จะนิ่งลงไปเป็นเอกคตาเนี่ยเราเข้าถึงอปปนาสมาธิ เมื่อเข้าไปถึงจุดนี้ก็สมบูรณ์แบบในการที่เราฝึกสมถะกรรมฐานต่อแต่นั้นที่จะดาเนินไปสู่การให้เกิดฌานสี่เกิดสมาบัติเกิดอิทธิปาฏิหาริเกิดอะไรมันเก้ดเป็นไปของมันเองถ้าหากเราไม่จเจริญไปตามนั้นแล้วก็หวนกลับมา สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตที่มันสงบแล้วนั้นมาพิจารณาสังขารร่างกายเร้ย ว, ว่าพิจารณานามรูปแต่ในขณะที่มันจิตนิ่งมันรวมลงไปสู่เอกคตานั้นให้มันรวมลงไปก่อนเพื่อจิตจะได้มีกำลังมันจะรวมลงไปอย่างไรก็ตามทีนี้เมื่อได้เต็มที่แล้วมันก็ผ่อนคลายออกมาผ่อนออกมา เมื่อขณะผ่อนออกมาปัญญาก็จะผุดขึ้นผุดขึ้นอย่าให้ปัญญาตะลิด ก, ก็นน้อมเข้ามาพิจารณาสังขารร่างกายคนที่เรียนอภิธรรมมาก็นามรูปก็จะมาปรากฏอะไรเป็นนามรูปคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วรู้ความรู้ความว่ารูปคืออะไร รูปก็หมายถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในกายของเรนี้ที่ประกอบกันเป็นตัวเป็นตนนี้แล้วนามคืออะไรก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเรียกว่านามรูปแต่ทีนี้บางครูบาอาจารย์ก็พิจารณากายเป็นอสุภะพิจารณารูปให้เห็นตามเป็นจริงว่า รูปร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟทีนี้เราจเจริญอาณาปานุสติกำนดลมหายใจเข้ายาวกำนดลมหายใจออกยาวเราเมื่อเราจิตของเราเป็นสมาธิแล้วกลับมาพิจารณาสังขารร่างกายเรามาพิจารณาลมเอาเอากำนดลมหายใจเข้าไปอีกหายใจเข้ายาวแล้วก็พิจารณาตาม หายใจออกยาวพิจารณาตามเอาหายใจออกหายใจเขา้าหายใจออกแต่ทีน่นี้ลองใช้ลมดันลมหายใจหายใจเข้าไปยาวแล้วก็ทำสมาธิพอคิดว่าขอสมาธิเกิดสมาธิมันก็จะปรากฏจิตมันก็จะนิ่งรวมลงไปแล้วก็บังคับลมด้วยความรู้สึกว่าขอลมจนเข้าไป ขึ้นไปในเบื้องบนขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันเป็นมลทินอาการใดๆมันมึนศีรษะมันปวดหัวมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้ก็ขอให้กระแสลมที่มันมีอยู่ในร่างกายนี้ขจัดปัดเป่าให้เลือดลมนั้นมันเดินสะดวกสบายอาการมันก็จะเป็นเ้าฝึกบ่อยๆมันก็จะเกิดขึ้นพิจรารณาธาตุลมธาตุลมนั้นมันมี ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมพัดในท้องลมพัดในไส้ลมพัดไปตามตัวและลมหายใจทีนี้เราก็มาดูอะลมหายใจคืออะไรออกหายใจเข้าออหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนคืออะไรคือหาวเลอและอาเจียน ลมพัดลงเบื้องต่าคืออะไรคือปวดถ่ายอุจจาระปวดถ่ายปัสสาวะและถายลมลมพัดในท้องคืออะไรมันก็พัดในท้องที่ไม่มีอวัยวะต่างๆช่องว่างของท้องก็มีลมก็เราหายใจเข้าไปลมพัดในไส้คืออะไรก็ลำไส้ใหญ่ทาไส้เล็กทางเดินอาหาร แล้วก็ลมพัดไปตามตัวตามตัวทั้งภายในและภายนอกที่มันกระทบกันลมหายใจนี่คือธาตุลมสี่ประการเมื่อเรามากำหนดลมหายใจก็ได้พิจารณาธาตุลมก็เท่ากับว่าเราได้พิจารณารูปในธาตุหนึ่งเราทีนี้พิจารณาธาตุไฟ ธาตุไฟมันก็คือความร้อนที่อยู่ในร่างกายสามสิบห้าหรือสามสิบหกองศาอยู่ในร่างกายของเรานีถ้าเกินสามสิบหกมันก็จะมีไข้เกินสามสิบเจ็ดสามสิบแปดขึ้นไปก็มีไข้แสดงว่าร่างกายผิดปกติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พิจารณาธาตุไฟไฟไผเผา อาหารย่อยอาหารแล้วก็ไฟที่มันเผาสังขารร่างกายของเราให้ย่อยยับไปตับการเวลาเหล่านี้มันจะค่อยปรากฏปรากฏขึ้นนะโดยเห็นธาตุไฟแต่เราพิจารณาของเราไปไม่ต้องไปรีบรอนนั่งอยู่สบายสบายเมื่อมันฟุงซ่านไม่ได้ก็กลับเข้ามา กำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวได้ที่แล้วก็ากำหนดลมหายใจเข้าออกปกติกำหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกปกติหรือใจขใจใ จ, จะใช้คำบริกรรมต่างๆเพื่อให้สมาธิมันเกิดเร่งหรือเกิดเร็ว เ, เข้าไปอย่างนี้นี่เขาเรียกพืพ้ธปฏิบัติไปตามลำดับแต่ถ้า จ, จะพิจารณาเลยนั้นก็ ให้จิตสงบสักเล็กน้อยนั้นซะก่อนแล้วก็พิจารณาหรือการเดินจงกรมมันจะคิดไปอย่างไรก็คิดไปแล้วก็วกเข้ามาให้คิดถึงว่าก้าวไปก้าวมาของเรานี้เราต้องมีสติ มีสติเป็นในกายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานมันยกก็กลายเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่หนทางอันเอกที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้น สัมปทานสีก็ตามมาสัมปทานสีตามมาอิทธิบาทสีก็ตามมาอิธิบาตสีตามมากานบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าบ่มภละของเราให้แก่กล้าแล้วมันก็เกิดธรรมะเรียกว่าโพชงเจตเนี่ย ธรรมะที่เกิดขึ้นสติสัมโพชงธรรมวิจยะอะไรทํานองนี้เกิดขึ้นมาไปถึงมากมีองค์แปดมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆของมันตามปัญญาที่มันจะพัฒนาของมันไปเองเพียงแต่เรามีสติตั้งมั่นแล้วเกิดสมาธิอย่างนี้ก็จะทําให้ตัวของเรานี้เข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการภาวนา เพื่อให้จิตของเรานี่เป็นสมาธิได้เพียงแค่นี้ก็ได้ถือว่าเราไปต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายแล้วพยายามอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเวลาข้าพเจ้าจะตายก็ขอให้อารรมกรรมคือกรรมที่มาปรากฏเวลาจิตจะออกจากกล้างขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้สือ ทอดสืบต่อต่อไปข้ามพบข้ามชาติดังนั้น การให้ทานการสมาทานศีลเป็นการเตรียมพร้อมเป็นบุญเบื้องต้นสงเคราะห์เราในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเป็นการภาวนาสงเคราะห์เขาเราข้ามพบข้ามชาติจากชาตินี้เราได้บำเพ็ญภาวนาจนร่างจิตเป็นสมาธิและลึกข่าวใดก็เกิดสมาธิเพราะการพิจารณาลมหมายใจโดยการเจริญอานาปานุสตินี้ มันก็จะเกิดภาวะการนี้ให้แก่เราตลอดไปติดตามเราไปตลอดข้ามภพข้ามชาติเพราะนั้นการภาวานานี้เป็นบุญต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนลมหายใจของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายอากาศที่เราหายใจก็ไม่ต้องไปซื้อหาที่ใดต่างจากห้องแอ ห้องแอร์นั้นต้องเสียเงินแต่อากาศที่เราหายใจนี้ไม่ต้องเสียเงินมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวเราก็มาจากธรรมชาติพิจารณาสังขารร่างกายจากสมมุติมันก็กลายเป็นวิมุติ พอเห็นมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มารวมกันเข้าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแม้ในภายนอกเราก็เห็นดินเห็นน้ำเห็นอากาศเห็นแสงแดดเนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปรากฏแล้วแต่ในร่างกายของเรานี่มันเป็นธาตุสังเคราะห์ดินก็คือผมขนเล็บฟันหนังที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็เป็นธาตุดิน ดับใตใส้พุงทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนก็เป็นธาตุดินน้ำที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ในร่างกายของเราน้ำน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองที่อยู่ในร่างกายนะั้นเป็นธาตุน้ำธาตุดมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุไฟ ก็ได้รับจากแสงาธาติติ์เข้าไปพร้อมกับลมแล้วก็ไปพัฒนาจากภายในนน้นกลายเป็นความร้อนรักษาอาวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นธาตุสังเคราะห์แล้วยังมีวิญญาณมีอากาศสาธัธาตุพราะเราต้องหายใจเข้าหายใจออกต่างจากสภาพธาตุทั้งสี่ดินน้ำรมไฟอันไม่มีวิญญาณ เดีนี้ของเรานั้นมีวิญญาณเขาไปเกาะคือวิญญาณธาตุคือตัวจิตของเราดังนั้นในตัวของเรานี้จึงมีธาตุอยู่หกข้องหกประการธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศสัธาตุและวิญญาณธาตุอยู่ในตัวของเรานี้ อันนี้แหละพิจารณาที่เห็นตามเป็นจริงอยู่แค่นี้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลดบุคคลใดไม่ประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ตายเพราะคุณธรรมอันนี้มันจะสืบทอดข้ามภพข้ามชาติส่งเราไปจนถึงฝั่ง คือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกก็คือการภาวนานี่แหละแต่ต้องภาวนาให้จิตของเราได้สงบลงไปพิจารณาจนกระทั่งเกิดปัญญามันก็จะพัฒานาไปเองเมื่อมาพิจารณาสังขารร่างกายตามเป็นจริงครูบาอาจารย์สนย้ำอยู่เสมอว่าพิจารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเพื่อที่มันจะให้เกิดการคลายจากการยึดมั่น มั่นที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานเพื่อมันคลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นว่ารูปร่างร่างกายของเรานี้มันไมไ่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะตามมาทิษดีของการพิจารณามันก็จะตามมาให้เราได้พิจารณาต่อไปอีกแล้วก็เห็นด้วยตัวของเราขึ้นมาในจิตในใจของเราแต่ยังไม่ไปถึงนั้นก็ขอให้ได้สมาธิสมาธิทาได้ทุกคน แต่การพัฒนาปัญญาจะต้องใช้ความสามารถใช้ความอดทนใช้ความเพียรของตัวเองเป็นเยี่ยมแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาในการที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นศรัทธาวิริยะขันติมันก็จะพร้อมขึ้นมาก็นี่เล่ว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ของเราอินทรีย์เก่ดขก็จะบรรลุธรรมสติตัวเดียวตัวนี้แหละ มันเป็นต้นต่อของการที่จะให้เราได้บ่มอินซีมีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติต่อไปดังนั้นท่านทั้งหลายปีนี้ก็เป็นปี2566มีเลข62ตัวกับกับขึ้นมาก็เป็น66กับลงไปก็เป็น99กับหน้ากับหลังได้ทั้งนั้นก็เป็นเลขเป็นมงคลในปีนี้ แล้วก็ในวาระนี้ทา OT, งทีโอทีองค์การองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยของเรานี้ก็ได้จัดกิจกรรมวันนี้ก็ทำบุญสงการก่อนที่จะมีพิธีสงการลดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ในวันสงการนั้นอยู่สามวันวันแรกเป็นวันลํำลึกถึงคุณูปการของ คุณผู้มีคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายคุณของบุคคลที่เราจะเคารพก็มีสามคุณคือผู้มีคุณนวุธผู้มีวั ย, ยวุฒิผู้เกิดก่อนเราถือว่าเป็นผู้มีวัยวุฒิจะต้องสำมาฆ ร, รวัรลดน้ำดำหัวกันแล้วก็ คุณนวุธก็คือบุคคลผู้มีคุณธรรมพระเจ้าพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ให้แก่เราชาติวุธก็คือบุคคลที่เกิดในตระกูลสูง เป็นบุคคลเด็ดเพื่อทั้งเป็นเจ้าฟ้ามหากาศัตริย์ปกปักรักษาประเทศชาติเกิดในตระกูลสูงก็เพราะมีบุญมีกุศลได้กระทําไปแล้วจึงได้เกิดในตระกูลสูงเราก็จะเคารพตามขั้นตอนอย่างนี้ลดน้ําดําหัวเพื่อให้ความเป็นมงคลแล้วก็ขอลุกัดโทษไม่เป็นโทษภัยไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อกันไม่มีอิจฉาตาร้อนต่อกันมีสิ่งข้องใจได้ าง ใ, ใดก็ทำให้อโหสิกรรมต่อกันในวันแรกวันวันที่สิบสามรถเนรสงน้ำพระแล้วก็ลดน้ำดำหัววันที่สิบสี่เป็นวันครอบครัวก็มาญาตทั้งหลายก็มารวมกันแล้วก็พาญาติน้องสังสรรไปเที่ยวในที่ต่างๆกันแล้วแต่พบหน้าพบตากันไปอยู่ไกลก็มาพบกัน วันที่สามเป็นวันกระตันยูเป็นวันรวมญาติมาทำบุญอุทิศให้แกน่นบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนี่คือวันสงการที่เราก็ทำกันเป็นวิถีของปีใหม่ของไทยเราดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาพร้อมกันณนะที่นี้ได้สัะตับฟังธรรมะในเรื่องการทาบุญข้อแรกก็คือว่าละชั่ว ละชื่อก็คือละปาประธรรมทั้งปวงข้อที่สองก็คือบำเพ็ญบุญสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุ ญ, บบญอันนี้ข้อที่สองนี้คือให้ท า, านสมาทานศีลข้อที่สามนั้นก็คือทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วด้วยการภาวนาเพื่อที่จะเป็นคุณธรรมนำตัวเราข้ามภพข้ามชาติเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ระลึกถึงบุญกุศลของเราอันนั้น แล้วก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีธรรมะสืบทอต่อไปจนกระทั่งเข้าถึงนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ตายไปอีกนี่แหละคือการทำบุญสามขั้นตอนสัพพาปัสปะปะปะสะอากขรนตังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสมปทาการยังกุศลให้ถึงพร สจิตตะปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแพ้วสามประการนี้เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าที่กล่าวมาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ลดย่อลงมาก็ได้สามประการดังที่กล่าวมานี้ดังนั้นท่านสาธุชนที่ได้มาสะดับทับฟังธรรมมะที่กล่าวในวันนี้ เห็นว่าสิ่งใดพอเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตอนก็จิบเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จิบเอาสิ่งที่ตัวเองทําได้ไปประพฤติปฏิบัติท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หน้าที่การงานของท่านตลอดจนเป็นผู้มีธรรมติดตัวตามตนไปในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้จึงขอรัตนาคุณภาษีรัตนะไครคือพระพุทธพระธรรมและพร ะ, ระยะสง จงปกปักรักษาท่านสาธุชนที่มาพร้อมกันที่นี้ให้รับแต่ความสุขความเจริญแล้วก็บุญกุศลอันเป็นบุญบา ร, รมีที่เราได้สั่งสมมาแล้วนี้ขอให้เป็นบุญกุศลสืบทอดแก่ตนสืบต่อไปแล้วก็เทวตาเทวานุภาพ คือมันมีอนุภาพห้าประการพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนี่จะปกปักรักษาเราเป็นส่วนรวม บุญญาอนุภาพจะให้ผลแก่เราในการที่เราทำบุญและสงเคราะห์เราในชาตินี้เทวตานุภาพเทวดาที่ได้รับอนุโมทนาบุญกับเราก็จะเกื้อกูลแก่เราตามขั้นตอนตามภาวะตามอิทธิปฏิอิทธิฤทธิ์หรือว่าอนุภาพที่เขาจะทำได้ของเทวดาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศล ใ, ใดๆที่ท่านทำมาแล้ว ขอบุญกุศลนั้นๆั้นจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพังพร้อมไปด้วยสมบัติพักสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้ยอย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยิน ในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ก็ขอให้มีสุขภาพภารันไมยสุขสมบูรณ์ตลอดไปเงินไหลนองทองไหลหลังเงินเต็มกระเป๋าขา อย่าเขินตลอดไปและในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติประจในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาลัชนีสาทุ